แต่ว่าในกรณีอย่างนี้นี่ก็เรียกว่าพรว ะ, ะกะลิศยังไม่ได้ถือเอาพระรูปเจ้าเป็นกรลเลนมิตรอย่างถูกต้องเพราะว่าเห็นแต่รูปกายของพระองค์อาจจะฟังเสียงที่ภายรอบของพระองค์แล้วก็เคลิมหลงไหลแต่ว่าไม่ได้เปิดใจที่จะปฏิบัติตามเลย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 ถ้าเป็นกรณีมิอย่างแท้จริงเนี่ยก็คือว่า น, น้อมนำเอาคำสอนของพระองค์มาประพฤติปฏิบัติจนกระทั่งเกิดความเจริญก้าวหน้าในอรอยิยมรรคมีองค์8ถ้าหากว่าเห็นพระองค์ได้ยินได้ฟังพระองค์แต่ว่าไม่มีการปฏิบัติ ให้เจริญในองค์มรรคแล้วนี่ก็เรียกว่ายังไม่ได้ถือเอาพระองค์เป็นกัลยาณมิตรอย่างแท้จริงอันนี้ก็อาจจะเป็นข่าวดีสำหรับเรานะเพราะว่าพวกเรานี้ก็ไม่มีโอกาสได้เห็นพระพุทธเจ้าแบบที่ภาษาสมัยใหม่เรียกว่าตัวเป็นๆ เ, เพราะว่าพระองค์ก็ได้เสด็จดัดขันนี้ผ่านไปนานแล้ว เราเห็นได้อย่างมากก็เพียงแค่สิ่งที่เป็นตัวแทนเช่นพระบุตรลูกหรือว่าต้นพระศีมหาโพหรือบัลลังก์ที่พระองค์ที่สร้างขึ้นตรงจุดที่พระเจ้าได้เสด็จตัดสรุปพระสัมมาสัมพธิญานแต่ถึงแม้เราจะไม่ได้เห็นรูปกายของพระองค์นะแต่ว่าพระองค์ก็สามารถจะเป็นกเรียนนมิตรของเราได้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 คือความความจริงประเสริฐนั่นแหละเป็นสารณ ะ, กระเกษมนั่นเป็นสารณะสูงสุดผู้ดูาลใสสารณะนั้นแล้วยอมพ้นจากทุกทางปวงได้พวกเราที่นับถือเอาพระรัตนตรัยโดยพระพุทธเจ้าีะเป็นสารณะเนี่ยตราบใดที่เรายังไม่เห็นอริยสัตว์ไม่มีความเข้าใจในอริยสัตว์สีเนี่ย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 อริสัตย์ประการนี่แหละถึงจะเรียกว่าได้นับเอาพระองค์เป็นสารณะให้คำว่าสารณะก็ดีกัลยนมิตก็ดีเนี่ยให้เข้าใจนะว่ามันหมายถึงอะไรมันต้องเกิดความเปลี่ยนแปลงในตัวเราทั้งในทางความคิดจิตใจทั้งในทางคำพูดและการกระทำโดยเพราะ จุดเริ่มต้นก็คือความเข้าใจในอริสัตถนะีความเข้าใจในอริสัตถีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็หลายคนก็ตอบได้นะว่าอริสัตถีคืออะไรทุกสมุทัยนิโรธมรรคอันนั้นก็เป็นความเข้าใจเบื้องต้นนะความเข้าใจเพียงเท่านี้เนี่ยถือว่าเป็นแค่หนึ่งในสามนะ ของสิ่งที่พระเจ้าเรียกว่าญาณ น, นะญาณในญาณหรือความรู้เกี่ยวกับอริสัตต์สเนี่ยมันมีสาประการมีสาประเภทนะประเภทแรกคือสัตยญาณสัตยญาณก็คือญาณหรือความรู้นะเกี่ยวกับอริสัต4ก็คือรู้ว่าสามารถบอกได้ว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคคืออะไรนะอันนี้เรียกว่าสัตยญาณแต่ว่า ส่วนใหญ่ก็ลืมญาณอีกสองไปญาณอีก2คือกิจกจยญาณและกัตตาญาณกิจจยญาณคืออะไรก็คือความรู้เกี่ยวกับกิจที่พึงทําในอริสัต4นะ์สกิจที่พึงทำนี่ก็ได้แก่อะไรบ้างนะก็คือทุกเป็นสิ่งที่ต้องรู้นะทุกเป็นสิ่งที่ต้องรู้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องละนะไอ้สิ่งที่ต้องละนั่นคือสมุ ท, ทยัยสมุทัยคือสิ่งที่ต้องละ เหตุแห่งทุกข์คือสิ่งที่ต้องละส่วนนิโรธจุดสิ่งที่ทำให้แจ้งคือทําให้เกิดขึ้นมักก็คือสิ่งที่ต้องทําให้มีมากขึ้นหรือภาวานาภาวานาแปลว่าทําให้มากขึ้นนะอันนี้เรียกว่ากิจยานตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นการลึกเอาท่องเอาแล้วสัจญา น, นี้อาจจะอาศัยสัญญานะเหมือนกับที่เราสอบตอบในข้อสอบ ตอบในห้องสอบเนี่ยสอบนักธรรมแล้วก็ตอบได้ว่าไอ้สัตวสี่มีอะไรบ้างนะทุกสมุทัยนิโรธครับนะทุกคืออะไรสมุทัยคืออะไรนิโรธคืออะไรมากคืออะไรตอบได้อันนี้เรียกว่าสัตจยานแต่ก็เป็นสัตตยานขั้นต้นนะแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่รู้แล้วว่าอ้าวเราทุกเนี่ยเราควรเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรไม่ใช่แค่รู้เฉยๆนะแต่ว่าปฏิบัติ ด, ด้วยนะ และถ้าปฏิบัติได้ครบถ้วนก็เรียกว่ากัตตญาณก็คือรู้ว่ารู้แล้วว่าได้ทําแล้วนะส่วนใหญ่เนี่ยยังไปไม่ถึงหลักกัตตญาณ น, นะเพราะว่าถ้าไปถึงนี่ก็เรียกว่าบรรลุธรรมแล้วแต่อย่างน้อยขอยเรากล่าวจากสัตตญาณไปสู่กิจญาณก็คือว่าไม่ใช่แค่รู้แบบนกแก้วตัวขุนทองว่าอาริสัตถีมีอะไรเท่านั้นแต่ว่าได้ลงมือกระทํำกับอริยสัตถ์แต่ละข้อแต่ละข้อ เอาแค่ข้อแรกก่อนนะก็พอแล้วนะเอาข้อแรกเปจุดริ่มตอนคือทุกเป็นสิ่งที่ต้องรู้นะเป็นสิ่งต้องรู้นะหรือกําหนดรู้นะในที่นี้ฉันใช้คาปริญญานะครับว่าปริญญานมันก็บอกอยู่ในตั ว, วอยู่แล้วว่ามันต้องเป็นการรู้แต่ไม่ใช่รู้ในหัวสมองนะแต่ว่ารู้ด้วยจิตด้วยใจทีเดียวรู้ว่ารู้ทุกเนี่ยรู้อย่างไรนะถ้าพูดอย่างถึงที่สุดนะ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 ก็จะเกิดความเหนื่อยหน่ายนะอย่างที่เราได้สาธยากันบ่อยๆเนี่ยเมื่อใดบุคคลเห็นชอบด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์เมื่อนั้นย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมมดจดนะรู้ว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์รู้ว่าขันธ์ทั้งห้าเป็นทุกข์หรือเป็นตัวทุกข์เนี่ยมันก็ทำให้เกิดความเหนื่อยหน่าย แต่ก่อนเนี่ยยังหลงในรูปนะไอ้อย่างอื่นอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะนามเนี่ยรูปเวส น, นาสัญญาสมาธวิญญาณเป็นอย่างไรอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยหลงเนี่ยไปหลงในรูปนะทั้งรูปของตัวแล้วก็รูปที่เป็นวัตถุสิ่งของเห็นว่าเป็นของดีของของวิเศษนะหรือว่าของที่จะให้ความสุขกับเราได้เช่นทรัพย์สมบัตินะเสื้อผ้านะหรือว่าหน้าตา ก็ไปปรุงแต่งกัมนมามากหลงในรูปร่างหน้าตาของตัวเองหลงในรูปร่างหน้าตาของคนอื่นนะอันนี้ก็เรียกว่ายังไม่เห็นทุกนะคือยังไม่เห็นว่ารูปเนี่ยมันเป็นทุกมันเป็นตัวทุกเห็นว่าเป็นตัวทุกนี่ไหมครับว่าไงหมายความว่าเห็นว่ามันมีโทษนะเช่นมันไม่จีรังยั่งยืนนะแล้วก็มันทาให้เกิดทุกเกิดความหยิกคันแก่ผู้ที่ยึดถือ ไปยึดถือมันเมื่อไหร่นะก็จะรู้สึกเป็นทุกข์อันนี้ยทุกตรงนี้คือทุกขเวทนาละเมื่อใดเมื่อเรายังมีอวิชชานะยังไม่เห็นว่ารูปเป็นตัวทุกข์เราไปยึดมันเข้านะเราก็จะเกิดทุกขเวทนาขึ้นในที่สุดเพราะเมื่อมันแปลเปลี่ยนไปนะหรือถึงแม้จะไม่แปลเปลี่ยนนะเพียงแค่ไปยึดเอาไว้ก็ทุกขลักขึ้นหนักใจ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 นะโดยที่ไม่ตระหนักว่าสุขเวทนาเองเนี่ยก็เป็นตัวทุกข์นะสุขเวทนาก็เป็นตัวทุกข์คือว่ามันไม่จีรังมันตกอยู่ภายใต้ความบีบคั้นที่ต้องเสื่อมสลายไปคือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ความยินดีความดีใจความส ง, งบนะที่เราประสบในระหว่างการปฏิบัติหรือในระหว่างที่เราเสพนะอาหารอร่อยฟังเพลงเพราะพวกนี้ยสุขเวทนานี้มันก็เป็นตัวทุกข์นะก็คือมัน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 ไอตัวทุกข์นี่มันไม่ใช่ทุกขเวทนานะแต่มันหมายถึงสภาวะทุกข์เขาเรียกว่าสังขารทุกขตาก็คือความทุกข์ที่เกิดกับสังขารทุกชนิดไม่ว่าจะมีชีวิตไม่มีชีวิตเป็นเพราะไม่เห็นความทุกข์นะเป็นเพราะไม่รู้ทุกข์แบบนี้แหละนะจึงวนเวียนอยู่ในความทุกข์ที่เราทุกขเวทนาถ้พูดแบบฟันธงนะคือว่าทุกขเพราะไม่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 บางทีเราก็ต้องแยกแยกให้ถูกนะว่าเวลาพูดว่าทุกข์เนี่ยมันหมายถึงทุกข์อะไรหมายถึงทุกข์โควเทนาหรือสภาวะทุกข์หรือว่าความเป็นทุกข์ที่เกิดกับสรรพสิ่งที่เป็นตัวบีบคั้นทําให้เสื่อมสลายไปที่ที่ทุกขตัดว่าทุกข์ป็นสิ่งต้องรู้เนี่ยนะคือรู้ทุกข์เนี่ยนะถึงที่สุดคือรู้ว่าสิ่งต้งปวงมันเป็นทุกข์ สิงนัปวนนี้ก็หนีไม่พ้นขันท่านะรูปแพรชนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เราสวดทุกวันสาธัยทุกวันนะว่าดุย่าอุปทานขันท่าเป็นตัวทุกันเนี้ยนะมันต้องเห็นตรงนี้ส่วนใหญ่ให้มองไม่เห็นนะเห็นแต่เพียงแค่ว่าเออแก่เป็นทุกเจ็บเป็นทุกตายเป็นทุกนะหรือว่าประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักเป็นทุกพัดพาจากสิ่งที่รักเป็นทุกแพรชนาสิ่งนั้นไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกอันเนี้ยทุกเวทนาแต่แม้กันนั้นเนี่ย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 นะการรู้ทุกข์นะอย่างน้อยๆเนี่ยต้องรู้ตรงนี้นะไม่ใช่แค่รู้ว่าทุกข์คืออะไรสาธยา์ทยได้ว่าทุกข์มีสิบสองอาการนะแก่เป็นนะเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์ความโศกความร่ำไรลําพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจเป็นทุกข์อันนี้ลำดับได้สาธยายได้อันนี้ไม่พอนะมาเป็นแค่ความรู้จํานกแก้วนกขุนทองในขั้นปฏิบัติเนี่ย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 นะเห็นความรุ่มร้อนนะรอบรู้ถึงความรุ่มร้อนความหนักอกความบีกขั้นความรู้สึกถูกกลิ่แทนนะอย่างน้อยๆต้องรู้ทุกแบบนี้นะอันนี้เรียกว่าทุกขเวทนารู้ด้วยสตินะเห็นด้วยสติเพียงแค่รู้ทุกระดับนี้เนี่ยมันก็ช่วยทําให้ทุกบันเทาแล้วมันก็จะดับไปนะไอความโกรธความเศร้าโศกความรู้สึกผิดเนี่ยมันก็จะ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 สำหรับการจัด ก, กาวความโกรธคือหมอเห็นว่าความโกรธนี่มันทำลายบั่นทอนร่างกายเราอย่างไรมันสร้างความเดือดร้อนแก่ตัวเองอย่างไรบ้างพอเห็นอย่างนี้เนี่ยมันก็ทำให้จิตเนี่ยไม่ค่อยๆ ค, คลายความโกรธหรือว่าเอาตัวช่วยอีกตัวหนึ่งก็เช่เนเมตตาแผ่เมตตาโกรธท้ายก็แผ่เมตตาให้กับเขานึกถึงเขาด้วยความรู้สึกที่มีปรารถนาดีเมตตาเป็นตัวช่วยบรรเทาวความโกรธได้ นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะมาช่วยสติในการที่จะมารู้ทันความโกรธและทาให้ความโกรธมันเลือนหายไปอันนี้ก็เรียกว่ารู้ทุกข์ได้เหมือนกันนะคือรู้ทุกขเวทนานะเมื่อมันเกิดขึ้นซึ่งไม่ใช่ว่าจะรู้ง่ายๆเพราะว่าพอมันเกิดขึ้นทีไรก็หลงจมเข้าไปในความทุกข์นั้นไม่เห็นหรอกไม่รู้หรอกนะเหมือเข้าไปอยู่ในบ้านเนี่ยอยู่ในบ้านเนี่ยมันจะเห็นบ้านได้อย่างไร มันจะรู้จักบ้านดีได้อย่างไรมันต้องออกมาก็จะเห็นอาคารเห็นลักษณะนะรูปร่างของอาคารหรือบ้านนะสติทําให้จิตมันออกมาจากความทุกข์หรือทุกขเวทนาแล้วก็มาเห็นนะ อ, อ๋อพอเห็นแล้วนี่ให้ความทุกข์มันก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกับเวลาเรามีความโกรธแล้วเราไม่ไม่รู้ทานความโกรธเนี่ยจมเข้าไปในความโกรธก็เปรียบได้กับเราอยู่กลางกองไฟ กองไฟมันก็เผากายเราแต่พอเราเดินก้าวเดิเอออกมาจากกองไฟกองไฟยังมีอยู่นะแต่ว่าเราไม่ทุกข์ละเราไม่รู้สึกร้อนละยิ่งอยู่ห่างจากกองไฟมากเท่าไหร่นะความร้อนก็จะบรรเทาลงและพอไฟนี่ไม่มีใครไปเติมเชื้อเติมฟืนให้มันมันก็ดับไปเองนั่นเพียงแค่เห็นความโกรธในความโกรธก็ดับแล้วนะเพราะว่าไม่มีการไปปรุงแต่งมันต่อไป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 เรียกว่าหายไปเลยการมีสติรู้เปรียบสมการที่เราเดินออกมาจากกองไฟแล้วเราไม่เติมเชื้อเติมฟืนให้มันมันก็ดับไปเองมันก็มอดไปเองอันนี้ว่ารู้ทุกข์ในระดับเบื้องต้นนะในความหมายที่เป็นกิจยานนะไม่ใช่สัตญาสัตญานนี่รู้ทุกข์ไปนานแล้วว่ารู้ทุกข์คืออะไรลาดับได้อย่างที่พูดมาว่ามี1ิอาการ12อาการแต่ว่าในขั้นกิจยานมันเป็นขั้นการปฏิบัติละ คือพอมีทุกข์เนี่ยก็รู้รู้ทุกข์เกิดขึ้นอันนี้คือรู้ทุกข์เบื้องต้นนะแต่รู้ทุกข์อย่างที่สุดนะก็คือรู้ว่าโอ้ยสังขารทั้งมวลเป็นทุกข์รู้ว่าขันทังหเป็นตัวทุกข์ตรงนี้ไม่ใช่ทุกขเวทนาแล้วนะมันเป็นสภาวะทุกข์หรือว่าก็เรียกว่าสังขารทุกขตาก็คือว่าสภาวะที่เป็นโทษที่บีกคั้นที่พึ่งพาอาศัยอะไรไม่ได้เลยถ้ารู้ทุกข์ในความหมายที่มันเป็นสภาวะทุกข์เนี่ยนะ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 บางคนเราก็แปลกนะไอ้ของดีไอ้ของที่คิดว่าให้ความสุขกับเราเราไปหลงไปยึดมันก็เออก็อยังพอทํานาเข้าใจได้แต่สิ่งที่มันให้ความทุกข์กับเราก็ยังไปยึดมันนะว่าเป็นเราเป็นของเราศัตรูเนี่ยนะศัตรูนี่ก็ไม่ใช่ของดีนะแต่ทําไมเราชอบเรียกว่าศัตรูของเราเนะ่ยไอ้นี่มันเป็นศัตรูของกูนะมันเป็นในเมื่อมันไม่ดีแล้วก็ต้องปล่อยเลจะมายึดเป็นของกูเป็นของเราทําไม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 งั้นถ้าเราเห็นตรงนี้เนี่ยนะว่ามันเป็นทุกข์จริงจนะมันปล่อยเลยนะมันปล่อยเลยเพราะเมื่อปล่อยเสร็จก็พ้นทุกขนะ์นะเมื่อพ้นทุกข์ก็รู้ว่าพทุกข์อันนี้ก็เรียกว่ากัตตยานเกิดแล้นะแต่ว่ากว่าเราจะมาถึงตรงนี้นี่ก็คงอีกนานแต่อย่างน้อยเนี่ยมันต้องทำที่กิจยานก่อนนะตั้งแต่รู้ทุกข์ที่เป็นทุกขเวทนาที่เกิดจากอารมณ์ต่างๆที่ครอบงําใจจงกระทั่งรู้ ทีลรกรูปแบบนี้รู้ด้วยสติต่อไปก็เกิดปัญญาขึ้นจนกทั่งเห็นว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ตรงนั้นแหละมันก็จะปล่อยก็จะพ้นทุกข์เลยที่หลวงพ่อเขียนบันทึกเอาไว้เขียนบันทึกไว้ว่าเนี่ยเห็นทุกข์ก็พ้นทุกข์เนี่ยนะก็คืออันนี้นะก็คือเห็นว่าโอ๊ขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์เนี่ยทุกข์ไปหมดเลยแม้กระทั่งรูปกายอ่ารูปและนามนะที่ อ่าที่มีอยู่ตอนนี้นะรูปคือกายที่ครองอยู่ตอนนี้แล้วก็นามคือใจนะที่มีอยู่ตอนนี้ที่เราเรียกว่าเป็นราป็นของเราที่จริงก็ทุกทุกทั้งนั้นพอทุกทั้งนั้นก็ปล่อยไม่ยึดว่าเป็นราป็นของเราต่อไปมันก็อิสระก็เป็นความสงบเย็นนะหลวงพ่อจึงเขียนว่าเห็นทุกเห็นทุกก็พทุกนะแต่ว่าทุกในที่นี้เนี่ยมัน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 มันหมายถึงอะไรนะเรากาลังพูดว่ามันหมายถึงสตตญาและกิจญาณนะแล้วถ้ากิจญาณเนี่ยมันก็มีหลายระดับตั้งแต่รู้โดยสติเมื่อมีเวทนาเกิดขึ้นจนกระทั่งรู้โดยปัญญาว่าสังขาทั้งปวงรวมทั้งที่เราเรียกว่าร่างกายของเราใจของเรานี่ก็ทุกข์เหมือนกันมันก็ปล่อยไม่มีเราไม่มีของรอยต่อไปตอนนั้นแหละถึงจะพ้นทุกข์อย่างแท้จริงอาชาเนก็ภูกระธานี้อะกราบพระ